ในปฏิจจส ม, มุปบาทพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงที่มาที่ไปของการเวียนว่ายตายเกิดทรงแสดงเริ่มต้นที่อวิชชาปัทียสังขาราอวิชชาปัทียสังขาราสังข า, า, า, า, า, า, า, าราปัทียวิญญาณ วิญญาณปัจจัยารูปนามรูปนามปัจจัยาอัยยตนาอัยตนาปัจจัยาผัสสะผัสสะปัจจัยาเวทนาเวทนาปัจจัยาตันหา อันหาปัจจยอุปทานอุปทานปัจจยพบชาตภาวะภาวะปัจจยชาตคือการเกิดแก่เจ็บตายนี่คือกระบวนการของการเวียนว่ายตายเกิดเริ่มต้นที่ภายในใจที่มีอวิชชาหุ้มห่ออยู่ อวิชชาก็คือความไม่รู้ความจริงว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจไม่ใช่เป็นต้นเหตุของความสุขใจแต่อวิชชานี้จะทำให้เห็นผิดเห็นเป็นนิจาทณิติคือกลับไปเห็นว่าความอยาก เป็นเหตุทำให้เกิดความสุขเมื่อไปมีมิจฉาทิฏฐิไปเห็นว่าการมีความอยากทำให้เกิดความสุขก็จะไปปัจจัยไปเป็นเหตุให้สังขารความคิดปรุงแต่งคิดไปในทางความอยากพอสังขารมีความคิดไปในทางความอยากก็จะเกิด ปฏิสนธิวิญญาณคือการไปเกิดไปได้รูปกับนามรูปกับนามก็คือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเช่นเวลาไปปฏิสนธิในขันของมันดาก็จะได้รูปประขันได้ร่างกายและได้นา ม, มขัน พอมีรูปกับนามก็จะมีอายตนะพอมีร่างกายก็จะมีตาหูจมูกลิ้นกายพอมีตาหูจมูกลิ้นกายก็จะมีผัทธะการได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะเช่นเวลาครอดออกมามาสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะ ก็เกิดเวทนาเกิดความรู้สึกเกิดความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์แล้วพอเกิดเวทนาก็จะเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาเกิดกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาขึ้นมาเมื่อเกิดตัณหาก็จะเกิดอุปาทาน ความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตันหาได้มีความอยากด้วยได้อะไรมาก็อยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วพอสิ่งนั้นเสื่อมไปหมดไปก็จะไปเกิดใหม่เช่นร่างกายที่ได้มาพอร่างกายนี้ตายไป อุปทานความยึดมั่นถือมั่นยังอยากจะมีร่างกายเหมือนเดิมอยู่ก็จะไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่พอเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายนี่คือเรื่องของอวิชชาเป็นต้นเหตุทำให้เกิดสิ่งต่างๆที่พวกเรามีกันอยู่นี้ขึ้นมา พวกเรามีร่างกายนี้ก็เพราะว่าเรามีอวิชชาอวิชชาให้เราคิดว่าการทำอไอ้ดมตามความอยากแล้วจะมีความสุขอยากในกาะตัญหาแล้วจะมีความสุขอยากในภาวะตันหาจะมีความสุขอยากในวิภวะตันหาจะมีความสุขสังขารขก็จะบวงไปทางกามตันหาภาวะตัญหาและวิภาวะตันหา ก็จะพาให้ไปหาเครื่องมือมาตอบสนองกาตัณหาความอยากกามาตัณหาก็ต้องมีรูปมีนามมีร่างกายมีตาหูจมูกเลินกายไว้สำหรับสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพื่อที่จะได้เกิดความสุขเวทนาขึ้นมาแต่นอกจากความสุขเวทนาแล้วก็ต้องไปสัมผัสกับ ทุกขเวทนาด้วยพะเวทนาไม่ได้มีเพียงแต่สุขเวทนาเพียงอย่างเดียวเวทนามีทั้งสุขเวทนาทุกขเวทนาไม่สุขไม่ทุกขเวทนาพอเกิดเวทนาเหล่านี้ขึ้นมาก็จะเกิดตัณหาขึ้นมาถ้าสุขเวทนาก็เกิดภาวะตัณหาอยากให้สุขอยู่ไปนานๆถ้าเกิดทุกขเวทนาก็เกิดวิภาวะตัณหา อยากจะให้ความทุกขนั้นหายไปหมดไปพะเกิดตัณหาก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่อยากที่จะให้เกิดความทุกข์ใจไม่อยากที่จะทำให้เกิดการเกิดแก่เจ็บตายซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ต้องมาแก้ที่เอาวิชาต้องมาทำลายเอาวิชา สิ่งที่จะทำลายอาวิชชาได้ก็คือวิชาหรือธรรมะนั่เนเองความจริงตอนนี้อวิชชาเห็นของเห็นของปลอมเห็นความเห็นผิดต้องมาแก้ให้เห็นถูกเช่นอวิชชากำลังเห็น <c oughs> สุนัขว่าเป็นแมวก็ต้องใช้วิชามาแก้ว่าสุนัขนี้ไม่ใช่แมว แมวเป็นอีกอย่างหนึ่งสุนัขเป็นสุนัขอันนี้ก็มาแก้ว่าความสุขไม่ได้เกิดจากตั้หาความอยากความสุขเกิดจากการไม่มีตั้หาความอยากไม่มีความอยากในการไม่มีความอยากมีอยากเป็นไม่มีความอยากไม่มีอยากไม่เป็นแล้วสิ่งที่จะมาสอนใจมาแก้ ให้เห็นผิดเป็นชอบนี้กลายเป็นเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิได้ก็ต้องใช้ปัญญาของพระพุทธเจ้าก็คือมรรคมรรคก็คือต้องสอนใจให้รู้ว่าทุกนั้นเกิดจากความอยากและสิ่งที่ใจอยากได้ก็จะทําให้ใจต้องทุกข์ด้วยเพราะสิ่งที่อยากได้เป็นสิ่งที่ไม่ถาวรไม่เที่ยงแท้แน่นอน ถ้าเป็นความสุขก็เป็นความสุขชั่วคราวเพราะมันจะต้องเปลี่ยนไปเสื่อมไปหมดไปพอเสื่อมไปหมดไปความทุกข์ก็จะมาแทนความสุขนี่คือวิธีแก้ต้องใช้ปัญญาของพระพุทธเจ้าใช้คําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราบำเพ็ญให้เราเจริญปัญญา ซึ่งเป็นองค์มรรคที่สําคัญมรรคนี้เป็นเครื่องมาแก้สมุทยัยคือความอยากความอยากเกิดจากความหลงที่ไม่เห็นว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต้องเอาปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงปฏิบัติมาแล้วทรงทดลองมาแล้วเห็นว่า การที่จะมีความสุขนั้นต้องไม่มีความอยากและการที่จะไม่มีความอยากก็ต้องมองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจอยากได้นี้มันไม่เป็นความสุขมันเป็นความทุกข์มากกว่าเพราะมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนมันไม่อยู่ภายใต้ความควบคุมของของใจได้ ถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงมันไม่ได้อยู่ในความควบคุมใจก็จะได้หยุดความอยากได้นี่คือวิชาหรือธรรมะถ้าใครเห็นว่าทุกข์นี่เป็นต้นเหตุของถ้าใครเห็นว่าความอยากนี่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจแล้วหยุดได้ เพราะนั้นก็จะหยุดขั้นตอนการของการเกิดแก่เจ็บตายได้ถ้ามีธรรมะเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์การทำตามความอยากเป็นทุกข์สังขารก็จะยุติความคิดปรุงแต่งไปในทางความอยากความอยากในกามอยากในภาวะและวิภาวะ คือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิวะวิภาวะตัณหาสังขารจะไม่คิดปรุงแต่งไปทางนั้นพอไม่คิดปรุงแต่งไปทางนั้นจิตก็จะไม่ไปปฏิสนธิวิญญาณก็จะไม่ปฏิสนธิวิญญาณก็จะไม่มีเวลาร่างกายนี้ตายไปแล้วจิตก็จะไม่มีปฏิสนธิวิญญาณไปไปจับจองร่างใหม่ แไปจับจองขันห้าใหม่จับจองรูปนามรูปนามก็คือรูปประขันนามขันรูปประขันมีหนึ่งนามขันมีสี่รวมบันก็เป็นขันห้าเรียกว่ารูปนามพอไม่มีรูปนามก็จะไม่มีอายตนะไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีการสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลตพะก็จะไม่มีเวทนา ไม่มีเวทนาก็จะไม่มีตัณหาไม่มีตัณหาก็จะไม่มีอุปทานไม่มีอุปทานก็ไม่มีภพไม่มีชาติไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายกระบวนการของการเวียนว่ายตายเกิดก็จะสิ้นสุดลงหมดลงหมดลงตรงที่ใจนี้ได้ทําอวิชชาได้ถูกทำลายออกไปจากใจแล้วความเห็นผิดเป็นชอบ ความเห็นที่ว่าการทำตามความอยากจะให้ความสุขจะไม่มีความอยากเพราะจะเห็นว่าความอยากนี่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจไม่ว่าจะเป็นความอยากในรูปแบบไหนก็ตามอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็จะไม่อยากเพราะอยากก็เดี๋ยวมันจะต้องไปเกิดใหม่อยากมีอยากเป็นก็ไม่มีอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็ไม่มี เช่ถึงเวลาร่างกายจะแก่เจ็บตายก็ไม่มีความอยากไม่ให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะถ้ายังไม่ถึงเวลาตายแต่ทุกข์มากอยากจะตายก็จะไม่มีก็จะไม่มีความอยากจะตายร่างกายจะทุกข์แสนสาหัสขนาดไหนก็อยู่กับมันไปปล่อยมันไปตามเรื่องของมันแต่ใจจะไม่มีความอยากตายหรืออยากไม่ตาย เพราะความอยากตายหรืออยากไม่ตายมันก็เป็นสมุทยัยเป็นปัญหาแล้วมันก็จะทำให้ไปเกิดปฏิสนธิวิญญาณขึ้นมาแล้วก็จะทําให้ไปเกิดใหม่แต่ถ้าไม่มีความอยากปล่อยให้มันทุกให้มันเจ็บไปแล้วให้มันตายไปตามธรรมชาติของมัน ใจไม่มีส่วนรับรู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของร่างกายเป็นก็อยู่ได้ตายก็รับได้ใจก็สักแต่ว่ารู้ไปไม่มีตัณหาเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อไม่มีตัณหามันก็จะไม่มีสัตว์มันก็จะไม่มีการไปปฏิสนธิอีกต่อไปนี่ก็คือเรื่องของปัจจยการหรือปฏิจจส ม, มุปบาท ที่เริ่มต้นที่อวิชชาอาวิชชาปัจจัยเป็นเหตุให้เกิดปัดจจัยก็แปลว่าเป็นเหตุเป็นเหตุให้เกิดสังขารความคิดปรุงแต่งไปทำความอยากความคิดปรุงแต่งไปทำความอยากก็เป็นเหตุให้เกิดมีปฏิสนธิวิญญาณขึ้นมาเมื่อมีปฏิสนธิวิญญาณก็จะมีการไปครอบครองรูปกัมนามที่ไปตั้ง พันอยู่ในท้องรูปนามแล้วพอมีรูปนามก็จะมีตาหูจมูกลิ้นกายพอมีตาหูจมูกลิ้นกายก็จะมีการสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผละพะพอมีสัมผัสก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นมาเกิดเวทนาเกิดสุขเวทนาทุกขเวทนาและไม่สุขไว่ทุกขเวทนาขึ้นมา พอเกิดเวทนาขึ้นมาก็เกิดตัณหาความอยากขึ้นมาอยากให้สุขเวทนาอยู่เปนน็นานๆอยากให้ทุกขเวทนาหายไปเร็วๆพอไม่ได้ดังใจอยากใจก็ทุกขขึ้นมาแล้วพอร่างกายนี้ตายไปก็มีอุปท า, านอยากจะได้ มีความสุขแบบนี้อีกอยากจะได้ร่างกายอีกก็ไปเกิดใหม่ไปเกิดแก่เจ็บตายใหม่เกิดมาแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายถ้าปฏิบัติตามที่พรเจ้าทรงสั่งสอนสามารถทำลายอวิชชาได้เช่นพระอระหันต์ทั้งหลายที่หลังจากได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำออกไปปฏิบัติ ถ้ายังอยู่ในขั้นทำทานก็ทำทานไปให้หมดแล้วก็ไปบำเพ็ญไปรักษาศีลศีลของนักบวชศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยิบ็ดศีลสามร้อยกว่าแล้วก็บำเพ็ญสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาเพราะจะเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดปัญญาขึ้นมา ที่จะทำให้เห็นทุกว่าเกิดจากความอยากได้เห็นอย่างชัดเจนภายในใจไม่ได้เห็นจากการได้ยินได้ฟังแต่เห็นจริงๆเห็นอยู่ในใจจริงๆว่าเวลาเกิดความอยากนี่เหมือนกับเอาเอามีดมาทิ่มแทงหัวใจของตนเองถ้าเห็นอย่างนั้นก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรก็จะตัด ความอยากทั้งสามได้คือกามวัฏหนาภวตัฏฏนาวิภวตันา <c oughs> จะเห็นได้ก็ต้องทำใจให้สงบให้นิ่งก่อนเรียกว่าสมถภ า, ภาวนานอนใจสงบใจนิ่งแล้วเวลาคิดไปในทางตัณหาความอยากนี้ใจก็จะเหมือนจะลุกเป็นไฟขึ้นมาหรือเหมือนถูกอะไรมาทิ่มมาแทงก็จะรู้ว่าความคิดแบบนี้ไม่ ไม่ไม่เป็นประโยชน์คิดไปในทางตัณหาไม่เป็นประโยชน์กับใจเป็นโทษกับใจเหมือนเอาเข็มมาทิ่มทแทงจิตใจของตนเองก็ <c oughs> งจะไม่คิดไปในทางนั้นไม่คิดไปในทางกามัตัณหาไม่คิดไปในทางภาวะตัณหาและไม่คิดไปในทางวิภาวะตัณหาหรือว่าถ้ายังไม่เห็นชัดเวลาอยากจะไป คิดไปในทางตัณหาก็ต้องใช้ตายรักมาช่วยมองให้เห็นว่าสิ่งที่อยากได้สิ่งที่คิดว่าจะให้ความสุขนั้นมันเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วก็หมดไปเวลาหมดไปก็เสียอกเสียใจทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะไม่ไปอยากได้อะไร ก็ได้มาแล้วในที่สุดก็ต้องเสียไปเวลาเสียไปก็ต้องทุกเวลาจะได้มาแต่ละครั้งก็ต้องทุกข์กับการแสวงหาไม่ใช่จะงะมาแบบง่ายๆแล้วได้มาแล้วก็ต้องทุกข์กับการดูแลรักษาต้องเห็นขั้นตอนของความทุกข์ในสิ่งต่างๆ มันจะได้หยุดความอยากได้สิ่งต่างๆลงไปได้แต่ถ้าเห็นว่าอยากพอเกิดความอยากปั๊บขึ้นมาแล้วเกิดความทุกข์ใจทันทีก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปพิจารณาตายรักในสิ่งต่างๆเมื่อเห็นว่าความอยากทำให้เกิดความทุกข์ใจและความไม่อยากทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมาก็ไม่เห็นต้องไปพิจารณาตายรักก็ได้ ให้พิจารณาดูจิตตัวเดียวก็ได้หรือว่าจิตตอนนี้สุขหรือทุกข์ถ้าจิตอยู่เฉยๆอยู่เป็นสุขแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าจิตอยู่เฉยๆไม่ได้อยากได้นู่นอยากได้นี่แสดงว่าไม่เห็นทุกข์แล้วถ้าเห็นทุกข์มันก็จะหยุดความอยากได้ทันทีถ้ามันไม่เห็นทุกข์มันอยากมันเกิดความอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ต้อง ใช้ตายรักเข้าม า, มามาแก้มันใช้อสุภะมาแก้มันใช้ปฏิกูลมาแก้มันถ้าอยากในอาหารอยากกินอาหารนอกเวลาที่ต้องกินก็ต้องใช้ <c oughs> ใช้ปฏิกูลดูความเป็นปฏิกูลของอาหารถ้าอยากจะร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้ก็ต้องใช้อสุภะดูความไม่สวยงามของร่างกาย ดูเวลาร่างกายเป็นซากศพแล้วดูอวัยวะต่างๆที่มีหนังหุ้มห่อเอาไว้เช่นโครงกระดูกถ้าเห็นโครงกระดูกนี้มันก็จะดับกามอารมณ์ได้แล้วเห็นอวัยวะเห็นเห็นตับไตไส้พุงมันก็จะหยุดความอยากในกามได้ถ้าอยากได้ราบยศสรรเสริญสุขก็พิจารณาว่ามันไม่เที่ยง ที่มีราบเจริญลาบก็มีเสื่อมราบมีเจริญยศก็มีเสื่อมยศนะถ้าอยากให้คนสรรเสริญ น, นินทาให้สรรเสริญยกย่องก็ต้องคิดว่ามันก็มีนินทามาเวลาเขาไม่พอใจเราเขาก็จะนินทาเราเขาไม่ชมเราไม่ยกย่องสรรเสริญเราความสุขทางตาหูจมูกรื่นกายก็เป็นแค่ชั่วขณะที่ได้สัมผัสพอมันไม่ได้สัมผัส ความสุขนั้นก็หายไปความทุกข์ก็มาแมทนที่เวลาไปเที่ยวกันก็นสนุกสนานเฮฮาเวลากลับมาอยู่บ้านกันตามลําพังก็ก็เกิดความเศร้าส้อยหงอยเหงาขึ้นมานี่คือการพิจารณาอนิจจ์ของความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นความสุขชั่วคราวเวลาหมดเนื้อหมดตัวไม่มีเงินไม่มีทองนี่ คนถึงต้องฆ่าตัวตายกันก็เพราะว่าความสุขที่ได้จากเงินทองมันหายไปมันหมดไปสิ่งที่มาแทนที่ก็คือความทุกข์คนที่เคยเป็นใหญ่เป็นโตพอต้องกลับมาเป็นคนธรรมดาสามัญ น, นี่บางทีก็อยู่ไม่ได้อับอายขายหน้าไม่อยากจะออกไปพบปะขับกับใครที่ไหน นี่คือความทุกข์ที่เกิดจากอนิจจังความไม่เที่ยงเกิดจากอนัตตาคือการที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้มันอยู่กับเราไปได้ตลอดนี่คือการใช้ใจลักเวลาให้เกิดความอยากขึ้นมาแล้วไม่เห็นว่าความอยากนี้กำลังสร้างความทุกข์ให้กับใจก็ต้องพิจารณาอนิจจังทุกขขังอนัตตาพิจารณาอสุภะ พิจรณาตติกลูนของอาหารถ้ามีปัญญาเหล่านี้มามันก็จะมาทําลายอาวิชชาความหลงความเห็นผิดเป็นชอบเมื่อไม่มีอวิชชาใจก็จะไม่หลงจะไม่คิดไปในทางความอยา ก, กต่อไปก็จะไม่มีการไปปฏิสนธิไปมีขันห้าไปมี ตาหูจมูกลิ้นกายไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสทำให้เกิดมมเวทนาต่างๆทำให้เกิดตัณหาต่างๆตามมาทำให้เกิดอุปทานทำให้เกิดภพชาติตามมาต่อไปนี่ก็คือเรื่องของกระบวนการของการเปลี่ยนว่ายตายเกิดเกิดแก่เจ็บตายเกิดจากอวิชชาเกิดความไม่รู้ ความไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การไม่มีความอยากไปกลับไปคิดว่าความสุขนั้นอยู่ที่การทำตามความอยากมีความอยากแล้วต้องทำตามความอยากเพราะเวลาทำแล้วได้ดังใจอยากก็มีความสุขแต่ไม่ได้มองว่ามันเป็นสุขเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวไม่นานสุขนั้นก็หายไปแล้วความอยากใหม่ก็ต้อง ขึ้นใหม่เพื่อที่จะมาสร้างความสุขใหม่อีกแล้วเวลาไม่ได้ดังใจอยากก็ทุกข์อีกเลยเวลาสูญเสียสิ่งที่ได้มาก็จะทุกข์ในขัน้นตอนกระบวนการของการปฏิบัติก็คือเพื่อมาทวนกระแสของอวิชชานี้เองมาแก้ความเห็นผิดเป็นชอบนี้ให้เป็นความเห็นที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฐิ ธรรมทิฏฐิก็เกิดจากการฟังธรรมจากผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตรัสรู้และมาสั่งสอนเนื่อมของอริชาก็ไม่มีใครในโลกนี้จะจะรู้ได้ว่าต้นเหตุของความทุกข์นี้เกิดจากความอยากต่างๆต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายมาจากความอยากต่างๆเกิดมาทุกครั้งก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตาย ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายแต่ก็ไม่รู้จะทำไงเพราะพอตายไปแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเกิดใหม่พอกลับมาเกิดใหม่ก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่เพราไม่รู้ว่าอะไรเป็นต้นเหตุที่ทำให้มาเกิดนั่นเองนี่มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่มีความรู้มีความสามารถที่จะรู้ความจริงอันนี้ได้ เรียกว่าวิชาเรียกว่าธรรมะเรียกว่าการตัดสรู้การมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์นี่คือเรียกว่าอริยสัจสองข้อแรกความทุกข์ใจเกิดจากความอยากแล้วก็ทรงรู้อริยสัจสองข้อหลังคือหรือว่าการหยุดความอยาก จะทำให้ความทุกข์หายไปและสิ่งที่จะหยุดความอยากได้ก็คือความเห็นความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเห็นว่าการทำตามความอยากจะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่เห็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่ไปทาตามความอยากถ้าเกิดความอยาก ก็จะไม่ไปอยากได้อะไรเพราะรู้ว่าสิ่งที่อยากได้มาน้นมันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขได้มาแล้วก็ต้องทุกข์กับสิ่งที่ได้มาได้ลูกมาก็ต้องทุกข์กับลูกได้สามีได้ภรรยาก็ต้องทุกข์กับสามีทุกข์กับภรรยาได้สมบัติได้ลาบยศสรรเสริญได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏพก็ต้องมาทุกข์กับสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่แน่นอน มีเจริญนี่ก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาถ้าเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิก็จะหยุดความอยากต่างๆได้หยุดความต่างอยากต่างๆได้ใจก็จะสงบใจที่สงบก็จะมีความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายนี่แหละพอผู้ใดได้ดับปัญหาความอยากหมดแล้วก็จะได้ปรมังสุขขัง ความอยากที่สูงสุดที่ดีที่สุดก็เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายและเป็นความสุขที่ถาวรไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปนี่คือหัวใจของการปฏิบัติธรรมปฏิบัติเพื่อที่จะเข้าไปทำลายต้นเหตุของ การชักใยจิตนี้เหมือนกับเป็นหุ่นกระบอกที่มีผู้ชักใยอยู่ในเบื้องหลังคอยยุคอยอยากให้ไปเกิดคอยยุคอยอยากให้ไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ <Yeah. S 2> พอมีแล้วก็จะพาให้ไปสู่กระบวนการของการเกิดแก่เจ็บตายเพราะว่าได้พอเกิดแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย พอตายแล้วก็ยังอยากจะไปเกิดใหม่มันก็จะกลับมาเกิดใหม่กลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มาพบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าในสั ม, มาทิฐิการฟังเทศฟังธรรมเนี่ยท่านเรียกว่าอา น, นิสงส์ที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมก็คือจะทําให้เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้อง เมื่อเห็นที่ถูกต้องแล้วก็สามารถนำอาอกไปปฏิบัติให้ถูกต้องได้พอปฏิบัติได้อย่างถูกต้องก็ก็จะยุติยุติการขบวนการของเกิดการเกิดแก่เจ็บตายของการเวียนว่ายตายเกิดตายดังนั้นผู้ที่เบื่อต่อการที่จะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายซ้ำแล้วซ้าอีกก็ต้อง เอาคำสอนของพระพุทธจเจ้าไปปฏิบัติตามฐานะของตนตอนอยู่ในฐานะไหนก็ปฏิบัติไปตามฐานะนั้นก่อนเป็นนักบุญก็ปฏิบัติไปตามฐานะของนักบุญเป็นนักบวชก็ปฏิบัติไปตามฐานะของนักบวชนนักบุญก็คืองานของนักบุญก็คือการทําทานรักษาศีลห้า นี่เป็นงานหลักของนักบุญถ้าเป็นนักบวชก็เป็นงานรักษาศีลแปดขึ้นไปแล้วก็งานภาวนาเปรีกวิเวกอยู่ตามลำพังไม่คลุกคลีไม่ไม่วุ่นวายไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการทําบุญทําทานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทอดกระถิมนทอดผ้าป่าหรืออะไรก็ตามถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไป เพราะว่ามันไม่ได้เป็นบุญที่จะส่งเสริมให้ให้ก้าวหน้าในการบำเพ็ญภาวนาแต่จะเป็นบุญที่ถ่วงเหมือนกับเดินถอยหลังถ้าไปภาวนาแล้วต้องออกมาทำบุญทอดพระป่าถวายโบสถวายเจดีย์นี่เหมือนกับเดินถอยหลังไม่ได้เดินก้าวหน้าถ้าจะเดินก้าวหน้าต้อง เข้าไปออกไปอยู่ให้ห่างไกลจากเหตุการณ์ต่างๆจากบุคคลต่างๆอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญพระพุทธเจ้าไม่ได้เคยไม่มีประวัติว่าพระพุทธเจ้าทรงกลับมาทอดกรถิถนหลังจากที่ทรงได้บวชแล้วไม่ได้มีงานทอดกรถิถนงานผ้าป่างานสร้างโบสถ์งานสร้างเจดีย์งานอะไรต่างๆมีแต่บําเพ็ญเพียงอย่างเดียวสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาปีกวิเวก นักบวชต้องทำตาทางานของนักบวชนักบุญก็ทำงานของนักบุญถ้ายังเป็นนักบุญอยู่ทำไปเลยอยากจะทำอะไรอยากจะไปทอดพราป่าสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างวิหารอยากจะไปร่วมบุญที่ไหนก็ไปได้แต่ถ้าเป็นนักบวชแล้วถ้าจะทำบุญก็ยังทำได้ถ้าทำบ่อยที่ไม่มารบกวนการบำเพ็ญก็ก็ยังทำได้อยู่สมัยนี้ ม, มีเครื่องช่วยให้ทําบุญได้อย่างง่ายดายมีมือถือก็กดกดจํานวนเงินโอนเงินได้ทันทีอยากจะทําบุญที่ไหนก็ยังทําได้อยู่ถ้าทําบุญแบบนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรกอให้อย่ามารบกวนการภาวนาก็แล้วกันถ้าต้องออกไปวัดนูน้นวัดนี้ไปที่นั่นที่นี่เพื่อที่จะไปไปร่วมบุญนี้ อย่างนี้มันจะทําให้เสียเวลาภาวนาไปเช่นอยู่ถ้าออกไปสิบสองชั่วโมงสิบสองชั่วโมงที่จะได้มาจะใช้ในการภาวนาก็จะหายไปการภาวนาสิบสองชั่วโมงนี้กับการทําบุญสิบสองชั่วโมงนี้อันไหนจะได้ประโยชน์มากกว่ากันเหมือนกับการไปอตักตักดินกับไปตักเพชรเนี่ยอันไหนจะได้ประโยชน์มากกว่ากันเออ เอาจอเอาเสียบไปขุดดินกับเอาจอบเอาเสียมไปขุดเพชรนี่อันไหนจะได้ประโยชน์มากกว่ากันอการทําบุญก็เหมือนกับการไปขุดดินนี่ส่วนการภาวนาก็เป็นเหมือนกับการไปขุดเพชรขุดทองอั้เราต้องรู้จักฐานะของเราว่าเราอยู่ในฐานะไหนถ้าเราเป็นนักบวชเราก็ต้องทําหน้าที่ของนักบวช ถ้าเราเป็นนักบุญเราก็ทําหน้าที่ของนักบุญไปพังๆก่อนแต่ก็ควรที่จะคิดพัฒนาขึ้นไปสู่การเป็นนักบวชต่อไปเพราะว่าเป้าหมายก็คือต้องการให้เป็นนักบวชพราเมื่อได้เป็นนักบวชแล้วก็จะได้สร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อมาทำลายอวิชชาที่เป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดนี้ ถ้าไม่มีการภาวนานี้จะไม่สามารถทำลายอาวิชชาได้การทำบุญทำทานรักษาศีลห้านี้ไม่มีวันที่จะเข้าไปถึงตัวอวิชชาได้เข้าไปถึงก็แค่ตัวกับลูกน้องของอวิชชาคือความตณีความโลภอยากได้ทรัพย์ได้เงินได้ทองความหวงทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองนี้การทำบุญนี้การทำทานนี้ฆ่าพวกนี้ได้ แต่ฆ่าหัวหน้ามันไม่ได้กล้าอาวิชชาไม่ได้อวิชชาผู้สั่งให้ตนีสั่งให้โรกนี้เข้าไปไม่ถึงตัวมันพอถ้าไม่ไปคอยฆ่าเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ความโลภความตนันีต้องทำอยู่เรื่อยๆทำจนกระทั่งมันไม่มีความโลภอยากได้เงินทองไม่มีเงินทองที่จะหวงที่จะเก็บนั่นแหละ ก็ตอนนั้นก็จะได้เลื่อนขึ้นไปเป็นนักบวชได้เมื่อไม่โรภไม่หวงไม่อยากได้เงินทองก็จะขยับขึ้นไปเป็นขั้นนักบวชได้รักษาศีลแปดได้ไปปีกวิเวกได้ไปบาเพ็ญภาวนาได้ถ้าบาเพ็ญภาวนาได้ก็จะเข้าไปข่าตัวหัวหน้าได้ตัวหัวหน้าก็คือตัวอวิชานี่ ต้องฆ่าด้วยการบาเพ็ญจิตตภาวนาเท่านั้นแล้วต้องเป็นขั้นวิปัสสนาภาวนาขั้นสมถะ ภ, ภาวนานี้เพียงแต่กดเอาไว้กดอวิชช า, าไว้แต่ไม่ได้ฆ่าอวิชชาต้องใช้ขั้นวิปัสสนาวิปัสสนาก็ต้องเห็นเห็นทุกข์ว่าเกิดจากความอยากและเห็นว่าการทำตามความอยากนี้ไม่ได ทำให้มีความสุขแต่กลับทำให้มีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นเพราะสิ่งที่ได้มานี้จะต้องเปลี่ยนไปหมดไปนี่คือขั้นขั้นทำลายอาวิชชาต้องอยู่ในขั้นวิปัสนาในการจะบำเพ็ญภาวนาได้ผลนี้ต้องไปปีกวิเวกอยู่ที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงที่เรียกว่าสัพพายะที่สัายะก็คือที่ไม่มี รูปเสียงกลิ่นรสพลิตภัมาคอยรบกวนใจไม่มีบุคคลมาคอยมามาคอยลบกวนใจถ้าอยู่ด้วยกันหลายคนเดี๋ยวก็ต้องอดคุยกันไม่ได้อ ด, อดสังสรรค์กันไม่ได้สังสรรค์ไปสังสรรค์มาเดี๋ยวก็อดหิวอยากจะดื่มน้ำชากาแฟกันขึ้นมาไม่ได้มันก็จะเสียเวลาเพราะแทนที่จะมาข่าความอยากก็มาทำตามความอยาก อยากดื่ม น, น้ําชากาแฟกันดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะเข้าไปถึงตัววิชาเข้าไปฆ่าหัวหน้าของกิเลสให้มันหมดไปจากใจเพื่อตัดขบวนการของการเวียนว่ายตายเกิดเนีก็ต้องเป็นเหมือนหน่วยล้าตายทหารนี่เขามีหน่วยล้าตายที่เขาซ้อมเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นซ้อมอย่างที่อย่างสุดโหด พวกนี้เขาจะทํางานกันเป็นกลุ่มเล็กๆ เ, เข้าไปปฏิบัติการต่ อ, อสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งไม่เหมือนกับทหารทั่วไปทหารทั่วไปเขาจะไปกันเป็นผูมีอะไรอุก ป, ปกรณ์เครื่องมเครื่องมือหลากหลายไปเป็นกองทัพแต่พวกนี้ก็เป็นหน่วยเล็กๆ หน่วยกล้าตายหน่วยที่มีความสามารถพิเศษโลกที่บาเพ็ญเจตภาวนาก็จะเป็นแบบนั้นต้องเป็นหน่วยกล้าตายต้องไปอยู่คนเดียวไปอยู่ที่มันท้าทายต่อความเป็นความตายเพราะมันจะเสริมให้เกิดความเพียรขึ้นมาถ้าไปอยู่ในที่ปลอดภัยมันก็จะประมาทนอนใจมีความเกียดคร้าน ไม่ค่อยอยากจะภาวนาติดอยู่กับความสุขแต่เป็นความสุขเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเป็นความสุขนิดเดียวที่จะเกี่ยวให้จิตนี้ต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเป็นผู้ที่จะต้องการบำเพ็ญเพื่อให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้จะต้องไม่ติดอยู่กับความสุขทุกรูปแบบ ต้องอยู่แบบนอนกับดนินกินกับทรายได้ต้องให้มีเวลาบำเพ็ญได้ตลอดตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่มีภารกิจอะไรต่างๆมามารบกวนมาดึงเอาเวลาไปถ้าได้ปฏิบัติอย่างเข้มข้อนอย่างนี้ผลย่อมเกิดขึ้นได้อย่างตามที่พระเจ้าทรงได้ทรงพยากรณ์ไว้ถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือน ไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีเป็นอย่างมากผลกจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่ น, นอนดนั้นผลจะเกิดไม่เกิดก็อยู่ที่การการปฏิบัติอยู่ที่ความเพียรไม่ได้อยู่ที่อะไรทั้งนั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือเป็นผู้คองเรือนเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ อยู่ที่ความเพียรสี่ประการสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนถ้ามีความเพียรแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็จะสามารถบรรลุผลที่พระเจ้าได้ส่งบรรลุได้อย่างแน่นอนเหตุนึงต้องมาคอยสอดส่องดูความเพียรของตนอยู่ตลอดเวลาว่าวันวันหนึ่งนี้นเรา เอาเวลามาทำความเพียนมากน้อยเพียงไหรแล้วเราจะได้ประเมินผลได้ว่าเราจะควรจะได้ผลมากน้อยเพียงไรเหมือนกับการลงทุนเราลงทุนขนาดนี้เราก็ประเมินได้ว่าเราควรจะได้รายรับเท่าไหร่ถ้าเราไม่มีการลงทุนเลยเราจะมีรายรับเข้ามามีผลตอบแทนเข้ามาได้อย่างไร เาไปเอาเงินไปฝากธนาคารเราก็รู้อยู่แล้วว่าดอกมันเท่าไหร่ฝากเท่านี้มันก็จะได้ได้ดอกเท่านี้ถ้าฝากอีกเท่าหนึ่งมันก็จะได้ดอกเพิ่มอีกเท่าหนึง่งความเพียนก็แบบเดียวกันถ้าเราเพียงเท่านี้เราก็จะได้ผลเท่านี้ถ้าเราเพียงเท่านี้ก็ได้เจ็ดเจ็ดสิบปีถ้าเพิ่มอีกสิบเท่าก็เหลือเจ็ดปีถ้าเพิ่มอีกร้อยเท่าก็เหลือแค่เจ็ดเดือนก็ดูที่ความเพียนเป็นหลัก เพียนให้เจริญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวน า, วภ า, ภ า, วนาถ้ามีความเพียรเต็มที่มันผลก็ต้องเต็มที่อย่างแน่นอนดังนั้นอย่าไปมองอะไรที่อื่นให้มันเสียเวลาไปเปล่ า, ปาไปมองคนนั้นคนนี้มันไม่เกี่ยวกับเราให้มองที่ตัวเรามองว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังทำหน้าที่ของเราอยู่หรือเปล่า ถ้าเราต้องการผลแล้วเราไม่บำเพ็ญผลมันก็ไม่เกิดความอยากมันไม่ได้เป็นเหตุที่ทำให้เกิดผลแต่ผลมันเกิดจากการเจริญเหตุเหตุก็คือการบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญสมถะ ภ, ภาวนาวิปัสสนาภาวนา <c oughs> ก็ขอให้ท่านจงเอาเรื่องที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไป พ, พิจารณา และปฏิบัติเพื่อความสำเร็จในธรรมที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะทาวาริวาหาภูราปาริภูเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินงังเปตานังอุปกัปติ อิชิตังปัติทังตุมหานกิพเมวะสมิตจตุสัพเพปเรนตุสังกะปาจันโทปนะระโสยทามณิโชติอระโสยทาสพีติโยวิวัจจาตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีคาโยโกภวะ อภิวาทนสีลิสานาิจังวุธาปจายโนจัตาโารโธรรมาวทธานติอายุวโนสุขังภาลาัง <c oughs> ต่อไปนี้ก็เป็นขั้นถามต่อปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีก็สงสัยอยากจะถามอะไร ก็ขอเชิญถามผ่านทางไมโครโฟนได้ถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้พิธีกรถามผ่านมีปัญหาถามมาจากทางอินเทอร์เน็ตกราบธรรมศาสการพระอาจารย์ค่ะถ้าสําหรับคนที่ยังอินทรีอ่อนอย่างเงี้ยค่ะท่านอาจารย์การนั่งสมาธิแล้วเรายังไม่ถึงขั้นที่แบบว่าสมาธิดิ่งหรือกะค่ะเราสามารถจะพิจารณาไปด้วยเลยก่อนได้ไหมคะได้แต่มันไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่า เพราะว่ามันการพิจารณาก็เพื่อที่จะเอามาตัดกิเลสตัณหาดันั้นก็ต้องดูว่าถ้าเราพิจารณาแล้วเ ร, เราตัดได้หรือไม่เช่นตัดลูกตัดสามีตัดทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองได้หรือเปล่า <S <S ถ้าตัดไม่ได้ก็แสดงว่ามันยังกำลังไม่พอก็อาจจะต้องทำใจให้สงบมากขึ้น <S <S 2> <S 2> เพราะถ้าใจสงบแล้วมันอิ่ม มันรู้ว่าไม่มีเงินทองก็อยู่ได้แต่ถ้ามันไม่อิ่มนี้มันต้องอาศัยอย่างอื่นมาเป็นที่อาศัยอาศัยเงินทองอาศัยสามีอาศัยลูกอาศัยภรรยามาให้ความสุขแต่ถ้าเรามีความสุขทดแทนที่เกิดจากความสงบแล้วเราพิจารณาด้วยปัญญาเห็นว่าสิ่งที่เราอาศัยอยู่ขณะ น, นี้มันเป็นของชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องจากเราไป ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ได้เราก็ไม่พึ่งเขาก็ได้ตัดเขาก็ได้ไปอยู่คนเดียวดีกว่าคือคือโยมหมายถึงว่าในระหว่างที่เรากำลังฝึกอย่างนี้ท่านอาจารย์สมาธิคือเราฝึกได้น้อยเราเราไปพร้อมๆไปด้วยแล้วก็คือรอเพิ่มขึ้นไปด้วยอย่างนี้จะหลวงตาท่านบอกว่าสมาธิแต่ละขั้นก็จะสนับสนุนปัญญาแต่ละขั้น สมาธิขั้นต่ำกส็สนับสนุนปัญญาขั้นต่ำขั้นกลางก็สนับสนุนขั้นกลางปัญญาขั้นกลางสมาธิขั้นสูงก็จะสนับสนุนปัญญาขั้นสูงก็ทำได้อยู่ที่ว่าจะพิจารณาได้หรือเปล่าเพรส่วนใหญ่ใจมันไม่ไมไมจะถูกดึงไปพิจารณาทางตัณหามากกว่ า, <ข> า, าได้ค่อาจารย์ยมคำตอบว่าคือได้ ถ้าพิจารณาได้ก็ควรจะพิจารณาแต่ก็ต้องระวังว่าถ้ามันพิจารณาแล้วมันฟุ้งมันก็ยังไม่เป็นปัญญามันก็จะกลายเป็นกิเลสไปอย่างนี้คือถ้าเราพิจารณาแล้วตอนแรกพอยุดอยู่ในเรื่องกายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราฟุ้งเราก็กลับมานั่งดูลมมาใ ช, ใช่ไหมคะ่ะถ้ามันพิจารณาแล้วสงบก็ใช้เป็นเป็นปัญญาอาแต่ถ้าพิจารณาแล้วเริ่มฟุ้งเริ่มวิตกกังวลกับเรื่องของร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย อย่างนี้ก็แสดงว่ามันฟุ้งแล้ถ้าพิจารณาว่าเก็บใช้ได้ป่วยเป็นเรื่องทํามดาตายก็ตายไม่ฟุ้งกับมันก็ก็เป็นปัญญ า, าท่านอาจารย์ระยมยังไม่เข้าใจเรื่องเรื่องสมาธิอะค่ะว่าว่าเราต้องพิจารณาลงไปถึงอัปปนาเลยหรือเปล่าก็ต้องลงถึงจุดนั้นนะเพราะมันเป็นจุดที่จิตปล่อยวางทุกอย่างอัปปนานี้จิตจะปล่อยทุกอย่างเหลือแต่สักแต่ว่ารู้ หรือแต่ตัวจิตตามลำพังหรือถ้าอปปนาอีกแบบหนึ่งก็คือยังรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสอยู่แต่ใจไม่มีอารมณ์กับรูปเสียงกลิ่นรสใจวางปล่อยวา ง, วางแบบเหมือนอุเบกขา อ, อ, อย่างนั้นก็ได้เป็นสองอย่างแต่ต้องเป็นอุเบกขา ถ้าเราอย่างเรานั่งสมาธิแล้วมันมีอาการเหมือนวูบลงไปอย่างนี้ยแล้วนิ่งอันนี้คือการที่จิตรวมใช่ไหมคะใช่ ใ, ชใชจิตรวมถ้ า, ามันลงดิ่งแร ง, งๆอย่างนี้แสดงว่าเราไม่มีความชํานาญในการลงของจิตการถ้าไม่ไแน่จิตแต่ละครั้ง <c oughs> บางทีมันก็แล้วแต่อารมณ์มัน <c oughs> บางทีมันก็จะลงเร็ว <c oughs> บางทีก็ลงช้าอันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรก็ <c oughs> ขอให้มันลงถึงจุดเอาเบกขาก็ใช้ได้แล้วก็ให้มันอยู่ให้นาน ยิ่งอยู่ได้นานถ้าไหลายยิ่งจะมีกําลังโอเบคขามากขึ้นเท่า น, นั้นแต่ตอนนี้มันอยู่แ ป, ป๊บเดียวเองค่ะใช่ใหม่ๆก็เรียกว่าคันนิกะเนี่ยแป๊บเดียวแล้วก็ออกมาแต่ถ้าเราฝึกมากขึ้นถ้าเราสามารถไปเปลีย ก, กวิเวกเดินโจกรมนั่งสมาธิได้ทั้งวันนี้มันจะอยู่ได้นานแต่ถ้าเรานานๆทาทีอย่างเนี้ยมันก็ได้แค่นี้แหละกระจายนะะการเมตตาการ ต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านค่ะ <c oughs> คำถามแรกจากคุณคัชชัยงานทมที่ทำหากต้องลดปริมาณลงประมาณ 40% เนื่องจากเหตุจำเป็นต้องลดไม่ลดไม่ได้หากเราไม่ทุกไปกับปริมาณที่ลดลงของสิ่งที่ทำแต่ยังคงรักษาจิตให้ผ่องใสดังเดิมหรือมากกว่าเดิมด้วยยึดหลักไตรลักษณ์และวาสนาบารมี อ น, นิสงผลบุญที่เราจะได้รับจะลดลงหรือไม่หากจิตยังผ่องใสเช่นเดิมและผู้ที่รอรับผลบุญนี้เช่นเทวดาหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายจะได้เท่าเดิมหรือลดลงครับถ้าจิตผ่องใสก็แสดงว่าบุญมากเห็นพยายามรักษาจิตดวงเดียวไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องเทวดาหรือเรื่องของผู้อื่นเขาเรื่อง บุญนี้ส่วนใหญ่มันต้องมาส่วนใหญ่มันต้องสร้างกันเองบุญที่อุทิศนี้เป็นบุญส่วนย่อยบุญที่เราให้กับผู้ที่ด้อโอกาสด้อยบุญคือพวกเปรตเท่านั้นพวกเทวดาเขาก็ไม่มารอรับส่วนบุญของเราเพราะเขาก็มีบุญเหลือเฟือเขาถึงได้เป็นเทวดากันมีพวกเปรตนี่เป็นพวกที่ไม่มีบุญพวกเป็นเหมือนพวกคนขอทานไม่มีเงิน ก็ต้องมาคอยขอทานจากคนที่มีเงินอย่างพวกเราเวลาเราทำบุญพวกเราก็แบ่งเงินแบ่งบุญของเรานี้ให้กับขอทานไปดังนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นพระพุทธเจ้าบอกให้ทำประโยชน์ของตนก่อนแล้วค่อยไปทำประโยชน์ของผู้อื่นอย่างพระพุทธเจ้าทรงบาเพ็ญหกปีด้วยกันไม่ไปทำบุญไปกังวลกับเรื่องของใครเลยทรงบาเพ็ญอย่างเดียว แต่หลังจากที่ได้บรรลุแล้วตัดสรตวแล้วทีนี้ก็บำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นถึง45ปีด้วยกันแล้วก็บำเพ็ญประโยชน์อย่างสูงสุดด้วยพอสามารถส่งให้คนไปนิพพานได้ถ้าเรายังไปนิพพานไม่ได้เราก็จะไม่สามารถส่งให้คนอื่นไปนิพพานได้ถ้าเราไปได้แค่สวรรค์เราก็จะส่งให้คนไปได้แค่สวรรค์เท่านั้นเองดังนั้นในเบื้องต้นนี้เราควรที่จะ มาส่งตัวเราให้ไปถึงนิพพานก่อนจะดีกว่าเมื่อเราไปถึงนิพพานแล้วทีนี้เราก็สามารถมาส่งคนที่อยากจะไปให้ไปถึงพระนิพพานได้ทุกคนเลยถ้าเขาอยากจะไปแล้วเขาเชื่อคําสอนของเราปฏิบัติตามคําสอนของเราเดี๋ยวเขาก็ไปได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหลังจากไปถึงพันนิพพานแล้วก็มาสอนให้คนไปพระนิพพาน คนที่เชื่อนปฏิบัติตามได้ก็ไปถึงพระนิพพานเป็นพระอาหารหันตสาวกเป็นจำนวนมากนะถ้าพระพุทธเจ้า ม, ามัวแต่คอยช่วยเหลือคนอื่นให้ทำบุญทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิแต่ไม่ได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็สอนไปได้แค่สวรรค์ชั้นพรหมเท่านั้นเองแล้วก็ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดมาเริ่มต้นใหม่เวลากลับกบมาเกิดใหม่่าเป็นมนุษย์บุญที่ได้จาก เป็นพรหมเป็นเทพก็หมดไปก็ต้องมาเริ่มสร้างใหม่แต่ถ้าได้บุญของระดับพระนิพพานแล้วมันไม่หมดไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปดังนั้นเราต้องยึดพระพุทธเจ้าเป็นสารนัเป็นแบบฉบับทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงบาเพ็ญและทรงสอนทรงสอนให้ยังประโยชน์ของตนก่อนเพื่อที่ก่อนจะไปยังประโยชน์ของผู้อื่นเพราะถ้าเรายัง ไม่สามารถทำประโยชน์ให้กับเราได้อย่างสูงสุดเราจะไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้อย่างสูงสุดได้อย่างไรเราก็ทำได้เท่าระดับที่เราทำได้เท่านั้นเองคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามลูกในท้องหนูป่วยเป็นเนื้องอกหลวงพ่อช่วยเมตตาชี้แนวทางช่วยเหลือถึงวิธีทางออกให้หนูหน่อยนะเจ้าคะตัวตัวหนูเป็นเนื้องอกเหรอ ลูกในท้องของคนที่ฝากถามอะค่ะออก็ทำไมไม่ไปหาหมอล่ะเราไม่ใช่เป็นหมอเราช่วยได้ก็คือแม่ของเขาอะก็ให้แม่เขาทำใจว่ามันเป็นอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้มันเป็นอะไรเราก็ต้องทำใจแล้วก็คิดว่ามันเป็นกรรมของลูกไปก็แล้วกันที่เขาต้องรับกับวิบากอันนี้ คำถามต่อไปจากคุณชัยวัตรคำว่าตั้งจิตไว้ในกายกับตั้งกายไว้ในจิตแตกต่างกันอย่างไรครับมันเป็นโมหเนะีะตั้งกายไว้ในจิตตั้งจิตไว้ในกายก็คือให้จิตมีสติอยู่กับที่ร่างกายเป็นหลักคืออย่าให้ไปที่อื่นเป็นการดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันให้มีสติลเล็กๆรู้อยู่กับเรื่องเดียว เคยให้รู้อยู่กับที่ร่างกายเพราะว่าจะทําให้ไม่ให้ใจลอยไปลอยมาไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องต่างๆนานาเพราะเวลาทําใจให้สงบถ้าใจไม่อยู่กับเรื่องเดียวเช่นอยู่กับลมหายใจที่เป็นส่วนหนึ่งของกายใจลอยไปลอยมาใจก็จะไม่มีวันรวมเข้าสู่อัปปนาได้แต่ถ้าถ้าใจตั้งอยู่กับ เรื่องอยู่กับเราหายใจอย่างเดียวไม่ไปไหนเดี๋ยวก็ใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้คำถามต่อไปจากคุณอรพันธ์คนที่เอารูปพระที่ตัวเองไม่ชอบไปตัดต่อทำกิริยาหน้าเกลียดโพสไปเรื่อยไปเป็นตามความสนุกเป็นการทำลายศาสนาหรือไม่และบาปไหมคะ ไม่ไม่เป็นการทำลายศาสนาหรอกเป็นการทำลายตัวเองเพราะตัวเองกำลังระบายความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทออกมาไม่ได้เป็นการทำลายาศาสน า, สาศาสนาไม่ได้อยู่ที่ภาพของพระรูปนั้นรูปนี้ไม่ได้อยู่ที่พระพุทธ ร, รูปไม่ได้อยู่ที่เจดีย์ไม่ได้อยู่ที่อะไรทั้งนั้นของต่างๆเหล่านี้เป็นเครื่องประดับของาศาสนาไม่ใช่เป็นตัวาศาสนา ตัวศาสนานี้ก็คื อ, อธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามข้อแรกความกลัวโดยเฉพาะกลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอันนี้หมายถึงการไม่ได้อยู่กับปัจจุบันใช่หรือไม่คะและหากคิดว่ามามัวกลัวกับสิ่งที่ยังไม่เกิดกับคำพูดหรือคำทำนาย กลัวไปก็เปล่าประโยชน์สู้อยู่กับปัจจุบันแล้วคิดว่าอะไรจะเกิดก็เกิดอย่างนี้เป็นการคิดและทําในสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่คะถูกต้องแล้วให้อยู่ในปัจจุบันหรือถ้าจะอยู่อนาคตก็ให้อยู่ที่ความตายให้รู้ว่าทักวันหนึ่งร่างกายนี้ก็ต้องตายอย่างแน่นอนถ้าจะคิดถึงอนาคตก็ให้คิดแค่ว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาแล้ว ถ้าเรายอมรับความแก่ความเจ็บความตายได้เราก็จะทำลายความกลัวได้ข้อที่สองหลายคนคิดว่าการมีคู่แล้วจะสามารถปฏิบัติธรรมไปด้วยกันจนถึงมรรคผลนิพพานได้ความเชื่อแบบนี้เกิดขึ้นหลังจากอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง ที่รวบรวมเรื่องราวของพระพุทธเจ้ากับพระนางสิริมหามายาและความรักของครูบาอาจารย์ที่ประสบก่อนหรือหลังออกบวช <c oughs> จึงคิดที่อยากจะมีแฟนไปพร้อมๆกับการปฏิบัติธรรมความเชื่อแบบนี้เป็นความเชื่อตามกิเลสตามความใคร่ตามความหลงใ่หรือไม่คะเพราะการบาเพ็ญจิตตาภาวนาต้องตัดความผูกพันกับทุกคนและต้องบาเพ็ญ เพียงคนเดียวจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจทางใจค่ะก็ถูกต้องแล้วเนี่ยเวลาพระพเจ้าออกทรงออกหนวดก็ไม่ได้เอาผ้ามาเหสีไปด้วยข้อที่สาการช่วยเหลือผู้อื่นที่ดีที่สุดคือการให้ธรรมะใช่หรือไม่คะก็อยู่ที่ว่าเขารับธรรมะได้หรือเปล่า ถ้าเขาเป็นขอทานบอกให้เขานั่งภาวนาเขาคงจะนั่งไม่ได้ก็ต้องให้ข้าวเากินไปก่อนก็ต้องดูฐานะของผู้รับว่าเขาจะรับอะไรได้ไม่ใช่ว่าจะให้ของดีแต่ถ้าเขาไม่สามารถรับอาไปทําประโยชน์ได้มันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรดังนั้นการจะให้อะไรมันก็ต้องดูความสามารถของผู้รับว่าสามารถรับไปทําประโยชน์ให้กับตนเองได้หรือเปล่า คำถามต่อไปจากคุณชีวิตใหม่การบวชหน้าไฟผมเห็นเขาบวชกันบ่อยจังเวลามีคนตายมันได้บุญจริงหรือครับบวชหนึง่งสองวันเพราะผมคิดแย้งว่าบวชเอาบาปมากกว่าเพราะไม่ศึกษาธรร ม, มวินัยถ้าแบบนี้คงไม่ต้องทำบุญเวลาตายแล้วให้ญาติบวชให้คอยเกาะผ้าเหลืองไม่ไม่ได้บุญหรอก การบวชที่แท้จริงต้องศึกษาและปฏิบัติเพื่อทําลายกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจถึงจะเรียกว่าเป็นการบวชที่แท้จริงการบวชปั๊บหนึ่งแล้วก็เสร็จนี่ก็เป็นเหมือนเล่นลิเกเหมือนจับลิงมาใส่ผ้าเลยของเรืถามต่อไปจากคุณเบนจะมาการที่เราปฏิบัติธรรมแล้วใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนที่เขาไม่ได้ปฏิบัติ เช่นคนในครอบครัวที่บางครั้งเราก็ต้องรับรู้เรื่องราวและปัญหาต่างๆที่ไม่ถูกต้องใช้ชีวิตร่วมกันไปเราจะแก้อย่างไรที่จะทําให้เราอยู่ในครอบครัวได้และปฏิบัติธรรมไปด้วยเพราะสังเกตมานานแล้วว่าจะได้ผลน้อยเมื่อกลับมาอยู่บ้านจึงเกิดความเบื่อหน่ายในใจิตใจ อยากทราบอุบายในการปฏิบัติให้ก้าวหน้ากว่าที่ผ่านมาค่ะก็ต้องพยายามไปปลีกวิเวกไปอยู่ตามลําพังให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ถ้ายังมีภาระผูกพันที่ยังต้องทําอยู่ก็ต้องทําใจว่าเป็นวิบากของเราก็แล้วกันคือเป็นเหมือนกับเรายังมีนีิสินที่เรายังต้องชดใช้อยู่เราก็ต้องชดใช้ไปจนกว่านีิสินนั้นมันจะหมดเมื่อหมดแล้วเราก็จะได้เป็นอิสระ เราจะได้มีเวลาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่แต่ในขณะที่ใช้นี่สินอยู่นี้เรามีเวลาว่างตอนไหนเราก็ไปบำเพ็ญของเราคำถามต่อไปจากอาจารย์วิชยาการที่มีผู้คนล้มตายพร้อมๆกันจำนวนมากในเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เนปาล น, นั้น จะมองว่าเป็นเรื่องของการทำกรรมอะไรจึงได้ส่งผลแบบนี้คะเพอมาเกิดนั่นเองท้าไม่มาเกิดก็ไม่มาตายร่วมกันคำถามต่อไปจากคุณนิชาภาโยมมีใจสงบมาได้เกือบครบหนึ่งปีนั่งสมาธิทุกวันสองเวลาครั้งละหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนและเช้ามืด ในแต่และ ว, วันถ้ามีเรื่องไม่พอใจมากระทบโยมจะรู้สึกอึ้งรู้สึกว่ามีความปั่นปวนใจไม่ปกติไม่สงบโยมจะหยุดพูดจะอยู่กับความปั่นปวนนั้นโดยไม่ตอบโต้อะไรจนถึงเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบและพบทางออกของสิ่งที่ทำให้ใจไม่สงบนั้นโยมจึงคิดว่าทำไมโยมไม่คิดได้เป็นอัตโนมัติ ทำไมต้องมาคิดได้ในห้องพระตอนนั่งสมาธิมันจะคิดออกว่าเรื่องนี้ก็แค่นี้เองใจมันจะมีเหตุมีผลยอมรับและโลง่งความเป็นอัตโนมัติในการเคลียร์ให้ใจสงบได้โดยไม่ต้องรอถึงเวลาเข้าห้องพระทำได้ไหมเจ้าคะได้ถ้าเราฝึกไงพอเราออกจากห้องพระมาแล้วก็เริ่มคิดไปในทางปัญญาคิดในทางตายรักอยู่เรื่อย ว่าเรื่องราวต่างๆมันก็เป็นของชั่วคราวทั้งนั้นไม่ต้องไปมีอะไรกับมันให้ปล่อยวางเราสามารถสอนได้ตลอดเวลาแต่เรามักจะไม่มาสอนใจกันเรามักจะปล่อยให้ใจคิดไปทางกิเลสตัณหากันพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาใจก็เกิดความขุ่นมัวขึ้นมาถ้าเราหมั่นคอยสอนใจว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรา เราอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใจของเราก็จะไม่ขุนมัวกับเหตุการณ์ต่างๆสิ่งนี้เราทำได้แต่เราไม่ทำกันเพราะเราลืมไปเราคิดว่าการปฏิบัติธรรมนี้ต้องอยู่ในที่คนเดียวอยู่นั่งในท่านั่งหลับตาเท่านั้นแต่ความจริงนั้นเป็นส่วนหนึ่งเรียกว่าสมถะอันนี้จําเป็นจะต้องอยู่คนเดียวต้องอยู่ในท่านั่งจิตถึงจะรวม แต่ถ้าเรื่องปัญญานี้สามารถใช้ได้ตลอดเวลาออกจากสมาธิมาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทำอะไรสามารถใช้ไตลักษ์ประกอบไปกับความคิดของเราได้ทุกทุกอิริยาบถ ท, ทุกขณะทุกเวลานาทีนั่นเราหัดมาใช้ไตลักษ์กันเวลาที่เราออกจากสมาธิมาแล้วเห็นอะไรก็มองว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราเดี๋ยวก็ต้องจากกัน ถ้าคิดอย่างนี้ก็ต่อไปใจจะไม่ขุนมัวแล้วคิดว่าเป็นอนัตตาคือห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้คนนั้นคนนี้เขาจะทําอย่างนั้นทําอย่างนี้เราไปสั่งเขาไม่ได้พอเรารู้ว่าสั่งเขาไม่ได้เราก็ไม่ไปยุ่งกับเขาปล่อยเขาไปเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาเราก็จะไม่ขุนมัวไปกับการกระทําของเขาอันนี้เราต้องฝึกสอนใจให้คิดไปในทางตายรักหรือคิดไปในทางอาสุภะถ้ามีการอารมณ์ ถ้าถ้าถ้ามีความอยากกินมากๆก็ต้องคิดถึงปฏิกูลของอาหารบ้างเวลาอยากจะกินอะไรก็นึกถึงอาหารที่อยู่ในท้องอย่าไปนึกถึงที่มันอยู่ในจานถ้าคิดอย่างนี้เราต่อไปมันก็จะหยุดความหิวความอยากกินอาหารได้คำถามต่อไปจากคุณพิง ขอถามคำถามที่โง่เขลาครับคือถ้าเราถือศีลห้าแล้วเราเห็นปลวกขึ้นกัดกินบ้านจะทำเช่นไรครับจะปล่อยวางบ้านก็จะพังจะกำจัดก็เป็นบาปครับก็จะเอาศีลหรือจะเอาบ้านเนี่ยคำถามต่อไปจากคุณสงวน ผมมีที่ดินแล้วเจ้าของที่ดินข้างๆเขาลุกที่ดินผมผมจะทำยังไงดีครับแล้วเขาตายไปจะได้รับกรรมยังไงครับก็ต้องไปไปไปอะไรไปไปพิสูจน์กันว่าอะไรเป็นของใครเท่านั้นเองแล้วให้เขาปฏิบัติไปให้ถูกตามตามกฎหมาย ถ้าก็ทําถูกต้องตามกฎหมายตายไปก็ไม่มีอะไรถ้าก็ทําผิดกฎหมายคือแย่งที่ของเราไปานี่ก็เท่ากับการทำํำลักทรัพย์ของผู้อื่นทำบาปมันก็ต้องไปใช้กรรมในอบายในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไม่เกิดเป็นเดรัจฉานก็เกิดเป็นเปรตเกิดเป็นนรกเกิดเป็นผีหรือไปตกนรกมันก็ยื้ขึ้นอยู่กับ น้ำหนักของบาทที่เราทำไว้คำถามต่อไปจากคุณบาสผมบวชเป็นพระได้ฉายาว่าอภิชาโตผมอยากรู้ความหมายที่แท้จริงว่ามันคืออะไรหรอครับอภิแปลว่าผู้ยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่ชาโตก็แปลว่าชาติอภิชาโตก็คือชาติที่ยิ่งใหญ่คำถามต่อไปจากคุณกอล์ฟ ข้อแรกตามปกติผ <shocked> like <im> ู้ที่ปฏิบัติสมาธิภาวนาจะแผ่พลังจิตไปยังสิ่งของต่างๆวัตถุต่างๆหรือบุคคลต่างๆไหมครับถามใหม่อทีหนี้ตามปกติผู้ที่ปฏิบัติสมาธิภาวนาจะแผ่พลังจิตไปยังสิ่งของต่างๆวัตถุต่างๆหรือบุคคลต่างๆไหมครับ ไม่หลักตามปกติการทําสมาธิภาวนาเพื่อให้จิตมีพลังอุบเบกขาเท่านั้นเองเพื่อที่จะได้ใช้พลังอุบเบกขานี่ไว้มาต่อสู้กับกิเลสตัณหาที่เป็นข้าศึกศัตรูที่เป็นผู้มาสร้างความทุกข์ให้กับใจถ้าต้องการดับความทุกข์ใจก็ต้องมีอุบเบกขาไว้ต่อสู้ ข้อที่สองคำว่าจิตสว่างเป็นความรู้ที่สว่างสวยัยหรือรู้ว่าจิตไม่มีกิเลสมาลบกวนใช่ไหมครับหรือต้องเห็นความสว่างของจิตครับมันเป็นเรื่องของสิปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นนะพูดไปก็เหมือนบอกคนตาบอดว่าสีแดงสีเขียวเป็นยังไงขอให้ลืมตาขึ้นมาดูเถอะแล้วไม่ต้องไปถามใครอยากจะรู้ก็ภาวนาไป พอได้ผลแล้วก็จะรู้เองว่ามันเป็นอย่างไรคำถามต่อไปจากคุณอนิจจังผมปฏิบัติจิตจิตตภาวนาตามพระอาจารย์หลายรูปในสายหลวงตาโดยแต่กอดฝึกดูลมหายใจเข้าออกบางทีก็มีพุโทโธกำกับพุทเข้าโรออกบางทีก็ทำไม่ได้ก็บริกรรมว่าเข้าออก ตามลมหายใจแต่พอได้รับคำสอนคำแนะนาก็จะให้เน้นเป็นคำบริกรรมพุโทโธอย่างเดียวคือให้ตายไปกับพุโทโธเลยมันรู้สึกอึดอัดและมักจะกลับมาที่ลมหายใจเสมอการภาวนาเลยรู้สึกว่ามีสองความรู้สึกคืออยู่กับคำว่าพุโทโธและกับลมหายใจสลับกันเลยอยากถามว่า ถ้าเฉพาะเวลานั่งสมาธิกลับไปดูลมหายใจอย่างเดียวซึ่งมันจะรู้สึกสบายมากกว่าจะได้ไหมครับส่วนอิริยาบทอื่นๆก็บริกรรมพุทธโธจะได้ไหมครับมันจะเป็นการขัดแย้งกันไหมครับไม่ขัดหรอกเวลานั่งก็ดูลมอย่างเดียวเวลาออกจากการนั่งมาเคลื่อนไหวเช่นการเดินจงกรมก็ใช้พุทธโธพุทธโธไปก็ได้ขอให้มี อะไรกํากับใจผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆท่านั้นเองคำถามต่อไปจากคุณแอนดี้การที่ตัวเรายังมีใจยึดติดทั้งทางโลกและทางธรรมอยู่ทางโลกสอนให้สร้างความสำเร็จทางธรรมสอนให้ละทุกสิ่งตัวผมเองเหมือนยืนอยู่ตรงกลางแต่ได้ปฏิบัติตามแนวทางของหลวงตามาตลอดจนใจเป็นอุเบกขามากขึ้น แต่เนื่องจากทางโลกล้มเหลวยังไม่สามารถดูแลครอบครัวและผู้มีพระคุณได้จึงต้องพยายามสร้างความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นบ้างโดยใจเราปฏิบัติธรรมตามหน้าที่ทางโลกไปด้วยคิดอย่างนี้จะถูกต้องหรือเปล่าครับจะว่าถูกก็ถูกจะว่าผิดก็ผิดมันอยู่ที่ว่าเราเห็นว่าอะไรมันสำคัญกว่ากัน แต่เราเห็นครอบครัวสำคัญกว่าทำทำอย่างนี้มันก็ไม่ผิดแต่ถ้าเราเห็นว่าทำสำคัญ ก, กว่าครอบครัวทำอย่างนี้มันก็ผิดเพราะว่าเราจะไม่ได้ปฏิบัติธรรมเท่าที่ควรนันก็อยู่ที่น้ำหนักของเราว่าเราจะให้กับอะไรเราจะให้น้ำหนักกับธรรมหรือเราจะให้น้ำหนักกับครอบครัวเราก็ทำไปตามตามน้ำหนักที่เราให้ไว้ อันนี้เป็นเรื่องของแต่ละคนต้องเลือกทางเอาว่าจะไปทางไหนดีมันก็ดีทั้งสองทางแ่ะแต่ถ้าถามว่าทางไหนดีกว่าก็ต้องว่าทางธรรมดีกว่าทางโลกคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามค่ะคือเขาสงสัยว่าอย่างาศาสนาคริสต์ค่ะเวลาสารภาพบาปแล้วบาปก็จะหมดไปอย่างาศาสนาอิสลาม ถ้าตายแล้วฝังภายใน24ชั่วโมงก็จะได้ไปอยู่กับพระล้อบนสวรรค์แต่าศาสนาพุทธนะคะถ้าทําบาปก็คือบาปบาปไม่สามารถล้างลบล้างกันได้ยังไงก็ต้องไปรับผลบาปที่ทําไว้อ่ะคะ่ะแล้วอย่างนี้ในนรกก็จะมีแต่ผู้ที่นับถือาศาสนาพุทธหรือเปล่าคะอ๋อไม่หแอกเพราะว่าความจริงมันย่อมเป็นความจริงมันไม่ได้เป็นไปตามความเชื่อ ความเชื่อนี้ไม่ได้มารบล้างความจริงได้แล้วก็ความจริงก็คือกฎแห่งกรรมนี้เป็นกฎตายตัวเป็นกฎสากลไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตามถ้าทำบาปบาปนั้นก็จะติดกับใจไปเสมอถ้าทำบุญบุญก็จะติดไปกับใจเสมอแล้วก็จะส่งผลบุญส่งผลบาปให้กับใจดวงนั้นเสมอไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตามไม่ว่าเวลาตายไปแล้ว จะฝังภายในเวลากี่ชั่วโมงก็ตามหรือจะไปสารภาพบาปที่ไหนก็ตามมันก็ไม่ได้มามาลบล้างบุญหรือบาปที่ติดอยู่กับใจของผู้นั้นไปแต่อย่างใดดังั้นมันก็เป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่าผลของบุญผลของบาปนี้มันอาจจ ะ, ะมีเวลาที่จะต้องไปใช้นี่ไม่ไม่แน่นอน ว่าบางทีบาปทำไว้มากแต่ถ้ามีบุญทำบุญมากกว่าบาปบุญก็ยังมาเอา่อมาแย่งแย่งแย่งดวงใจไปรับผลบุญก่อนก็ได้บาปที่ทำไว้ยังรอลงอายาไปก่อนรอไปจนกว่าบุญที่ได้ทำไปนั้นหมดหรือมีเท่ากับกำลังของบาปแล้วตอนนั้นบาปก็ไม่สามารถดึงไปดึงใจไปรับผลบาปได้ บุญก็ไม่สามารถดึงใจไปรับผลบุญได้ตอนนั้นใจก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทำบุญทำบาปใหม่แล้วเวลาตายไปก็ดูที่บุญกับบาปนี่ว่าอันไหนมีกำลังมากกว่าถ้าคราวนี้บาปมีกำลังมากกว่าบุญอายไปบาปก็จะดึงให้ไปรับผลบาปในอบายแต่ถ้ายัางทำบุญมากกว่าบาปอยู่เวลาตายไปบุญนี้มีกำลังมากกว่าบาป บุญก็ยังจะดึงใจให้ไปสวรรค์ก่อนก็ยังไม่ต้องไปรับผลบาปนนัอ้อยู่ที่ว่าอยู่ที่การกระทําของเราบุญหรืบาปพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราทําบุญลับบาปแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปใช้บาปถ้าเราทําบุญลับาปเรื่อยๆบุญจมากกว่าบาปอยู่ทุกภพทุกชาติตายไปก็ไปไปสวรรค์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาทําบุญให้มากกว่าบาปใหม่ตายไปก็ไปสวรรค์ใหม่ บาปที่มีอยู่ก็ยังไม่มีกำลังที่จะดึงไปไปอบายไปนรกได้ฉะนั้นทำที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยทำบุญละบาปแล้วอย่างน้อยชาตินี้ตายไปก็ไม่ต้องไปใช้บาปไปรับผลบุญก่อนแล้วถ้าไม่อยากจะกลับมารับผลบุญผลบาปอีกต่อไปก็ต้องชำระใจให้สะอาดคือต้องตัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจ ถ้าไม่มีความโลภความอยากก็จะไม่มีเชื้อเพลิงที่จะผลักดันให้ใจไปเกิดใหม่ไปใช้ไปรับผลบุญผ ล, ผลบาปอีกต่อไปเพราะใจจะไปอยู่ที่พระนิพพานแทนใ จ, จใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันต์เช่นองคุลิมาลทำบาปมากมายฆ่าคนมาถึง999คนแต่พอมาทำละใจให้บริสุทธิ์ได้ ตายไปก็ไม่ต้องไปใช้บาปอีกต่อไปเพราะไม่มีเชื้อที่จะผลักดันให้ใจไปเกิดใหม่อีกแล้วแต่ในทางตรงกันข้ามพระเทวท่านนี่ได้สร้างบุญได้บวชมาตั้งยี่สิบกว่าปีได้อิทธิฤทธิ์ได้อภิญญาแต่มมีมิจฉาทิฏฐิมีความคิดว่าตัวเองวิเศษกว่าพระพุทธเจ้าก็เราอยากจะขอเป็นผู้ปกครองสงฆ์แทนพระพุทธเจ้า พระเจ้าก็ทรงปฏิเสธก็เกิดความโกรธแค้นก็พยายามปรองระชน์ถึงสามครั้งด้วยกันแต่ก็ทำไม่สำเร็จในที่สุดก็มาสำนึกผิดก่อนจะตายแต่พอลาตายไปก็ต้องไปตกนรกเพราะว่าบุญที่ทำไวน้นี้มีกำลังน้อยกว่า บ, บาปที่ได้ทำไว้เพราะการคิดฆ่าพระเจ้านี้เขาเรียวกว่าเป็นอนันตฤยกรรมเป็นบาปหนักที่สุด อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเรื่องของการทำบุญกับของการทำบาปว่ามีมีผลอย่างไรต่อจิตใจเนี่ยงขอให้พวกเราพยายามทำบุญให้มากกว่าทำบาปแล้วถ้าไม่อยากจะกลับมาใช้บุญใช้บาปเลยก็ต้องทำใจให้บริสุทธิ์หรือต้องไม่มีความโลภความอยากอยู่ในใจต่อไป